ไ ม, ไม่หนาวไนะม่หนาวมีนาม่ตะร้อนนะ่ะเมษานะ่ไม่ต้องว่าดนะ น, นี่คือดินฟ้าอากาศแต่ผู้ใดเมื่อวานนี่ารูปรูปที่ถ่ายรูปกับพระองค์โสมที่มางานที่กระถินนะใครได้ถ่ายรูปพับพระองค์ท่านก็มารับได้คูบา ก็มอบให้ใครเป็นคนดูแลเนอะตาไม่ใช่ลูปตนเองอย่าไปเอาตาเอาไปแล้วก็คนที่มาทีหลังก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนใครก็มีความหมายสำหรับของตัวของแต่ละตัวเองนบางคนก็รับไปสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้ดูรายรายได้ละเอียดเห็น <c oughs> <c oughs> ก็ให้แล้วก็รับไปไม่รู้ว่าลูปกองไข่ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่าง เพราตัวเองไม่สำคัญแต่เจ้าขาเจ้าเจ้ารูปเจ้าภาพของเขานะสำคัญมากจะได้ถ่ายรูปของพระ อ, องค์ท่านนะมันไม่ใช่ว่าจะได้ถ่ายได้ง่ายๆต้องถ่ายตั้งแต่เดือนตลุลาเพิ่งมาได้วันนี้เมื่อวานเนะี่ยส่งขึ้นมาเมื่อวานนะลูกหลานนะได้มาแล้วก็แจกดู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 แต่ว่าชีวิตบางช่วงไม่เป็นมงคลเราก็ไม่อยากจะเห็นอีกบางทีโมโหโกธาหน้าบูดหน้าเบี้ยวถ้าใครถ่ายรูปในช่วงนั้นก็คงจะไม่อยากจะให้ถา่ายเหมือนกันนะในช่วงไหนยิ้มแย้มแจ่มใส อ, อ, อยากจะรู้นะเวลาจะถ่ายรูปนะยิ้มนะนั่นะสรุปแล้วก็คือ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 หลวงพ่อจะไปธุระแ้วนะสักสองสามวันคงจะกลับขึ้นมาพอไปกรุงเทพไปแสดงโคนมลไปแสดงธรรมเทศไปใน ง, งานหลวงพ่อพอมีอายุพรรษาขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างทุกหลานได้เห็นนะ่ะก็ยังดีนะ่ะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปที่ไหนง่ายๆ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 หาบขวยเดียวหาบสิ่งของไปขายแต่เขารู้จักเก็บหอมหลอมเล็บเก็บหอมลอมริบเก็บที่เล็กนะเก็บที่น้นอยอต่อไปก็ใหญ่ขึ้นมาก็ออกทุนทำมาค้าขายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใหญ่ขึ้นมาก็ซื้อใหญ่ขึ้นไปผลคืค้าขายใหญ่สรุปแล้วคือคือคนมีปัญญาและขยันด้วยนะ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 ร้องไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะหมอํำก็เหมือนกันเวลาเขาลำาโอ้เสียงน่าจะออกเสียงลีลาอย่างนั้นพูดอย่างนี้อย่างนั้นพูดได้แต่เขาจับไม้ไม่ใส่เปล่าโอ้พูดเขาท่าไว้ติเขาเป็นไว้เอาลองลองลองร ำ, ำรู้สเฮอพูดไม่ออกนี่ก็เหมือนกันเลยพูดที่จะแสดงธรรมแล้วพูดที่จะเทศนละย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 โอ้ยไม่ไหวละ จ, จ้าๆๆเานี่ยใครอยากจะฟังไปฟังเอ็พีสามย้อนอันเก่าก็ได้นะปูดไม่ได้ละหยุดแล้วถึงวันหนึ่งมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร ล, ละพรนัที น, น, นี่นะ